บทที่ <Book> 85พตินอสมเดสต์คำถามอดีตการหนึ่งประชาญญาพรเทคลอสแอเน่คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วคุณนอนหลับสบายไหม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 Ste คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมาคุณไปอยู่ที่ไหนมาคุณเคยอยู่ที่ไหนมา คุณเคยทำงานที่ไหนมา s t e d a l i l คุณแนะนำอะไรไปแล้ว y s t e r d Porocili. คุณทานอะไรมาค e s e d l i คุณได้พบอะไรมา y e s e l i คุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่